ในยุคหลังต่อมาปราดได้นําเอาธรรมบางข้อที่เข้าคู่กันกับศิกขาบทหรือศีลห้านั้นมาจัดวางเป็นหมวดขึ้นสําหรับแนะนําให้เคฤหัสถ์ปฏิบัติคู่กันไปกับเบญจศีนโดยเรียกชื่อว่าเบญจธรรมหรือเบญจกัลยาณธรรมข้อธรรมที่นํามาจัดนั้นก็เดินตามแนวของหลักที่เรียกว่ากุศลกรรมบทนั่นเองแต่ในการเลือกข้อธรรมมาจัดเข้า มีความแตกต่างกันอยู่บ้างโดยเฉพาะในแง่ของข้อธรรมที่มีความหมายกว้างแคบกว่ากันหัวข้อของเป็นจะธรรมนั้นเรียงตามลำดับให้เข้าคู่กับศีห้าคือ 1. แ่เมตตาและกรุรณา 2. สัมมาอาชีวับางท่านเลือกเอาหรือรวมเอาทานเข้าด้วย 3. กามสังวร คือความรู้จักยับยั้งควบคุมตนในทางกามรมารมหรือเรื่องรักใคร่ไม่ให้ผิดศีลธรรมบางท่านเลือกเอาสถารสันโดษคือความยินดีด้วยคู่ครองของตน 4. สัจจะ 5. สติสัมปชัญญะบางท่านเลือกเอาอัปปมาทะคือความไม่ประมาทซึ่งได้ความเกือบไม่ต่างกันสำหรับข้อสถารสันโดษ ที่เป็นข้อปฏิบัติตรงข้ามกับกามเมซุมิจฉาจาร์มีข้อสังเกตที่ควรกล่าวไว้คือสัทธารสันโดษแปลว่าความพอใจด้วยพันรยาของตนว่าโดยสาระก็คือความยินดีเฉพาะคู่ครองของตนแม้ว่ามองก้องว้างหลักการจะเปิดให้เกี่ยวกับจำนวนของคู่ครองมิได้กำหนดไว้ตายตัวว่าคนเดียวหรือกี่คน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 แต่กระนั้นก็ตามเมื่อว่าโดยนิยมท่านยกย่องการมีคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียวซึ่งมีความรักใคร้พักดีต่อการมั่นคงยั่งยืนมีความมั่นคงภายในครอบครัวลูกหลานมีความร่มเย็นเป็นสุขและอบอุ่นใจดังชีวิตของคู่อริยะสาวกนกกุลบิดาและนกกุลมารดาที่เป็นแบบฉบับบันทึกไว้ในพระสูตรเป็นตัวอย่าง สามีภรรยาคู่นี้เป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันและเป็นเอตตคทะในทางสนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งสองท่านมีความประสานสอดคล้องโดยความรักพักดีและความซื่อสัตย์ซึ่งนำไปสู่ความกลมกลืนกันโดยคุณธรรมจนปรารถนาจะพบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังความที่บันทึกไว้ในสมชีวิสูตรที่หนึ่ง อังคุตรรณิกายจะตกการนิบาศซึ่งนักกุลมีดาคระหบดีได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่ตระกูลนำนักกุลมานดาข้าปัตตานีซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่มข้าพระองค์ไม่ได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจนักกุลมานดาก้าปาตานีเลยแม้ด้วยใจที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกาย ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายพบแม้นกุลมาณากราปตานีก็ได้กราบทูลความอย่างเดียวกันสัทธารสันโดษนี้ท่านจัดเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งแสดงว่าเป็นความประพฤติและการดำเนินชีวิตที่ได้รับยกย่องอย่างสูงในพระพุทธศาสนาท่านว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ไม่ตายแต่อย่างหนุ่มสาว ดังความในมหาธรรมมาปาลฉาดกว่าครั้งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นมหาธรรมปาลกุมารเมื่ออาจารย์ที่สาปามโมกนําเอากระดูกแพะมาแสดงบอกพราหมผู้เป็นบิดาของธรรมปาลกุมารว่าบุตรของท่านตายเสร็แล้วนี่กระดูกบุตรของท่านพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ไม่ได้เชื่อกล่าวกับอาจารย์ว่าในตระกูลของเรานี่จะตายกําลังเป็นหนุ่มนั้นเป็นไม่มี เหตุผลอย่างหนึ่งนั้นคือพวกเราไม่ประพฤตินอกใจพันรยาและพันรยาก็ไม่ประพฤตินอกใจพวกเราพวกเราประพฤติพรหมจารยในหญิงอื่นนอกจากพันรยาของพวกเราฉะนั้นพวกเราจึงไม่มีใครตาย ต, ายตั้งแต่อย่างหนุ่มสาวแม้แต่ในมหาเวสันดรชาดกเมื่อคราวที่พระอินท์เกรงว่าจะมีผู้มาขอพระนางมัดสีจึงแปลงเป็นพรามชารา มาโทนขอพระนางมัตสีพระเวสสันดรบริจาคให้แล้วพระอินก็ทรงกลับคืนร่างดังเดิมและตระสัสสรรเสริญอนุโมทนาในกุศลแห่งทานบารมีของพระเวสสันดรและถวายพระนางมัตสีกลับคืนพร้อมทั้งประธานโอกาสถวายพรแปประการแด่พระเวสสันดรหนึ่งใน8ประการนั้นพระเวสสันดรก็ขอพรให้พระองค์เองเป็นผู้มีสัตรันโดษ คือขอให้ไม่คบหาภรรยาผู้อื่นพึงพอใจแต่ในภรรยาของตนไม่พึงลุ้อำนาจแห่งหญิงทั้งหลายภาษิตในสารพังขชาดกต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นบทสรุปศีลคือมาเท้าสักกะเทวราชตรัสถามว่าบัณฑิตเรียกคนเช่นไรว่ามีศีลสรพังขดาบททูนตอบว่าผู้ใดสำรวมด้วยกายวาจา ไม่กระทำความชั่วใดๆไม่พูดหลอนแหละเพราะเห็นแก่ตนคนเช่นนั้นเรียกว่าผู้มีศีลและพุทธพจน์ต่อไปนี้ในวัตถุปรม r สูตรมัจจิมานิกายมุลปันนาฏที่ได้ตรัสกับสุนทริกะพารัววชพรหมามนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสาระของศีลพุทธพจน์นั้นคือจงสร้างความเกษมในปวงสัตว์